เทศทุกวันเอาอะไรไปเทศ <c oughs> ธรรมะของเก่ากิเลสก็ของเก่าเรียนแต่เรื่องเก่าๆแต่โดนมันหลอกได้เรื่อยๆดูกิเลสก็มีแค่สามตัวเอ ง, งโกโลบหลดหลงไม่ถูกมันหลอกได้เรื่อยๆแล้วพัฒนาเครื่องมือมาสู้กับมันกิเลสมันมาได้ตอนเผลอตอนขาดสติ ถ้ามีสติอยู่เร้ๆนะกิเลสก็ไม่มาจะมีสติอย่างเดียวยังไม่พอเมอนะแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าชั่วครั้งชั่วคราวสติมันก็ยังเป็นอนัตตาเกิดบ้างไม่เกิดบ้างไม่ใช่ว่ามันจะเกิดได้ตลอดเวลาเงจิตจะเป็นอกุศลบ้างอะไรบ้างห้ามมันไม่ได้หรอกจะสู้กันให้เด็ดขาดเราต้องสู้ด้วยปัญญา แต่ปัญญาอยู่ๆมันไม่เกิดเรานะถ้าไม่มีสติไม่มีสัมมาสมาธิอาศัยสติอาศัยสัมมาสมาธิก็เลยมีปัญญามีสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตทั้งสติทั้งสัมมาสมาธินะมันอาภัพนักปฏิบัติทั้งหลายบอกว่าจเจริญสติเอาจริงๆนะมันไม่ใช่สติที่ดี สติที่ดีมันต้องเป็นสติปัฏฐานเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงองค์ธรรมของมรรคแต่ละตัวแต่ละตัวสัมมาสตินะั้นท่านอธิบายด้วยสติปัฏฐาน 4. สสัมมาสามาธินะอธิบายด้วยฌานฌานหนึ่งสองสามสีรูปฌานก็จัดเป็นฌานที่สนี่พวกเราไม่ค่อยได้เรียน สัมมาสติไม่ค่อยมนะีแต่ว่าอาศัยมาฟังนะพวกเราจำนวนมากนะเดี๋ยวนี้มีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิขึ้นมาคนที่หลวงพ่อบอกว่าจิตมันตื่นจิตตื่นได้นั่นเพราะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิแต่พวกเรายังภาวนาอยู่ในระดับโลกีธรรม ตื่นก็ตื่นชั่วคราวเดี๋ยวก็หลับอีกเรียกว่าตื่นตื่นหลับหลับได้ที่ตื่นแล้วตื่นเลยไม่มีหรอกนะต้องเป็นพระอรหันต์จริงจิ่นอกานั้นมันไม่ตื่นแล้วตื่นเลยมันก็หลับได้อีกเราต้องค่อยๆพัฒนาคุณภาพของสตินะพัฒนาคุณภาพของสัมมาสมาธิสติไม่ได้แปละว่ากําหนดนะอย่าไปแปลสติว่ากําหนดถ้าแปลสติว่ากําหนดกะผิดทันทีเลย กำหนดแปลว่ากดแปล ว, ว่าข่มไว้จงใจไปกำหนดนะอะไรทําให้จงใจกำหนดว่าโลภะเบื้องหลังเลยก็คืออาวิชาความเห็นผิดนะว่าตัวเรามีอยู่จริงๆกายนี้ใจนี้คือตัวเรายึดถือมันเป็นของดีของวิเศษก็ เ, เลยอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์อยากให้ตัวเราบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็มีความไม่รู้คิดว่ามีตัวเราขึ้นมาก็มีความอยากนี่เอาวิชาเพื่ทำให้มันมีตัณหามีความอยากขึ้นมา้อาวอยากแล้ใจก็ปรุงแต่งคนโง่คนชั่วก็ปรุงชั่วคนดีก็ปรุงดีเช่นจากปฏิบัตินะก็ลงมือกำหนดในอภิธรรมเนี่ยสอนว่าเวลาความปรุงแต่งฝ่ายดีเกิดขึ้น สิ่งที่ทํานะมักจะเป็นอัตตกิลมัฏฐานิโยคไม่บังคับกายก็บังคับใจสังเกตไหมเวลาเมื่อก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเวลาพวกเราหัดภาวนาสิ่งที่เราทำนะไม่บังคับกายก็บังคับใจนึก อ, ออกไหมหรือลืมไปแล้วลืมความหลัง อ, อับประยติที่ทำไม่บังคับกายก็บังคับใจมีอยู่เท่านั้นเองคืออัตตกิลมัฏฐานิโยคคือสิ่งที่พระเจ้าบอกอย่าไปทํา ยกตัวอย่างนะพอจะมีสติไปรู้ลมหายใจคุยบอกว่าจะมีอนาปนาสติทาอนาปนาสติมีสติไปรู้ลมหายใจไว้กาหนดลมหายใจไม่ให้จิตนี้เคลื่อนไปจากลมเลยกาหนดไว้กับลมเป็นสมถะสติอย่างนี้สติกาหนดนะสูงสุดทำได้แค่สมถะหรือเดินจงกรมกาหนดไว้ที่เท้า ชิตแนบอยู่กับเท้าเลยจิตไม่หนีไปไหนเลยไม่เผลอเลยเท้าขยับยังไงรู้หมดเลยมันคือการเพ่งเท้าเพ่ ง, เพงอารมณ์นั่นเองอารามโนพนิชฌานคือการทำสมถะเพ่งไปเรื่อยตัวลอ ย, ต, ลอยตัวเบาตัวโคลงผนลุกขนพองรู้สึกเหมือนมแมลงมาไตา่รู้สึกบู๊บูบาบๆก็ไปคิดว่าเกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดหรอกนั้นเป็นสมถะทั้งหมดเลยเป็นอาการของปิตินาชนิด สตินะั้นถ้าจงใจไปกําหนดมันมีโลภะอยู่เบื้องหลังมันอยากปฏิบัตินี่ทำไมอยากปฏิบัติมันอยากดีอยากมีความสุขอยากได้มรรคผลนิพพานทำไมอยากดีอยากมีความสุขอยากได้มรรคผลนิพพานเพื่อตัวกูจะได้มีความสุขนะสุดท้ายมันก็มีตัวเราซ่อนอยู่ข้างหลังมีอวิชชาซ่อนอยู่ข้างหลังก็เลยมีความอยากขึ้นมาก็ดิ้นปรุงแต่งไปได้ปรุงดีปรุงดีก็ไปสู่คตินะ ได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมแต่ไปนิพพานไม่ได้สตินะอย่าไปกาหนดเอาสติแปลว่าความระลึกได้ถ้าสติแปลว่ากำหนด้รวก็ผิดแล้วเป็นสมถะหมดเลยสติแท้ๆคือความระลึกระลึกถึงความมีอยู่ของกายระลึกถึงความมีอยู่ของใจเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลอื่ น, นๆก็เป็นสติธรรมดา สติที่พวกเราต้องมีคือสติปัฏฐานมีสติเฉยๆนะมันรู้มากผลนิพพานไม่ได้จะได้แต่อารมณ์ที่เป็นกุศลจะได้แต่ไปพบภูมิที่ดีกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมหายใจได้เป็นคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไปนิพพานไม่ได้่ะไปนิพพานต้องมีสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะเป็นสติที่เกิดขึ้นเอง เป็นสติที่เกิดกับจิตที่ชื่อว่ามหากรุสล จ, จิตยานสัมปยุทธ์อสังคาริคังอสังคาริกังไม่ได้จงใจงให้เกิดนั้นเกิดเองทําไมเกิดได้เองเกิดได้เองเพราะว่าจิตจําสภาวะได้แม่นในตําราถึงสอนนะบอกว่าการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติธิรัสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะแม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ เมื่เราต้องจําสภาวะให้แม่นแล้วสติจะเกิดเองไม่ใช่ไปกําหนดให้สติเกิดถ้ากําหนดเมื่อไหร่นั้นได้สมถะเป็นสมถะแน่นอนนะไปไหนไม่รอดนะได้นิ่งๆอยู่งั้นเลยหลายคนก็ทําภาวนามาหลายปีจิตก็นิ่งอยู่งั้นเองหลวงพ่อเคยเสียเวลาอยู่ตรงนี้ยี่สิบสองปีถึงชํานาญพูดเต็มปากเต็มคํานะพูดไม่กลัวเลยเอาสติไปกําหนดนั่นเป็นสมถะ มันไม่เกิดปัญญากายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีไตรลักให้ดูหรอกเพ่งไปเรื่อยๆนะบางคนยิ่งไม่ชอบความรู้สึกนะจะเพ่งแต่รูปอย่างเดียวเลยหยิบขวดน้ํานี่เพ่งอยู่ที่มือนะมือไหวคลิกๆๆในรู้ตลอดสายเลยขยับคลิกๆๆรู้ตลอดเลยเพ่งรูปเพ่งถึงขีดสุดจะได้ฌานที่สี่นะแล้วถ้าไม่สนใจในความรู้สึกตัวเลยจิตจะดับลงไปจิตดับเหลือร่างกายอย่างเดียวเป็น ภพภูมิที่มีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามนะคืออสัญญาสตาภูมิปลอมลูกฟักที่ว่านั่งสมาธิกันภาวนาไปกำหนดไปแล้วหมดความรู้สึกตัวเหลือแต่ร่างกายนั่งแข็งทื่ออยู่เป็นปลอมลูกฟักไม่ใช่นิพพานเนี่ยสำคัญผิดไปนึกเอาเองไปตีความเอาด้วยกันคิดว่านิพพานเนี่ยปราศจากรูปนามนิพพานพ้นจากรูปนามจริงนะแต่นิพพานเป็นอารมณ์เป็นธรรมารมชนิดหนึ่ง สิ่งใดเป็นธรรมารมณ์นะต้องมีจิตที่ไปรู้ธรรมารมณ์นะถ้าไม่มีจิตที่รู้ธรรมารมณ์อันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมอารมณ์ธรรมารมณ์ของคู่กับจิตมันไม่ใช่ภาวนาอยูจิตดับในตำราถึงสอนนะว่าเวลาเกิดมารเกิดผลมีจิตนะชื่อมรรคจิตชื่อผลจิตไม่ใช่แปลว่าไม่มีจิตเพียงแต่จิตนั้นรู้นิพพานจิตนั้นไม่ได้ไปรู้อารมณ์รูปนามหรืออารมณ์บัญญัติเท่านั้นเองแต่ต้องมีจิตไม่ใช่จิตดับ เงินถ้าภาวนาเพ่งรูปมากๆจิตดับใช้ไม่ได้อย่าไปเพ่งเอาให้รู้สึกเอาให้คอยรู้สึกสภาวะใดๆเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกสภาวะใดๆเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกรู้เรื่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะได้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งจิตก็รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวจิตก็รู้สึกจิตใจหยุดนิ่งจิตก็รู้สึกจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่ว นะจิตส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิต ท, ทำอะไรจิตรู้สึกนะมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้สึกรู้สึกมากเข้ามากเข้าจิตจำสภาวะแม่นแล้วตสติเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดละตรงที่สติแท้จริงเกิดเนี่ยไม่ได้จงใจให้เกิดนี่เป็นสติที่สำคัญนะเมื่อไหร่จิตมีสติเมื่อนั้นเป็นกุศลนกุศลยัางมีสองชนิดกุศลซึ่ง เรียกว่าสัตสังขาริกังนะต้องจูงใจโน้มน้าวให้เกิดจะอาสังขาริกังไม่ต้องจูงใจให้เกิดมีกำลังกล้ากุศลที่ต้องจูงใจให้เกิดมีกำลังอ่อนไปเฉลิญปัญญาไม่มีคุณภาพจริงต้องฝึกจนมันเกิดอัตโนมัติขึ้นมายกตัวอย่างนะอย่างส่วใจเราอยากทำบุญใจเราอยากทำบุญขึ้นมาเองอยากไปใส่บาตรด้วยตัวเองเป็นกุศลมีกาลังกล้าเกิดเอง แต่นี้กุศลทั่วไปนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตที่มีสติปัฏฐานอะไรหรอกเป็นกุศลธรรมดาแต่ถ้าไปทําบุญเพราะว่าเขาชวนเสียไม่ได้แล้วไปทําอะไรเนี่ยเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนสติเหมือนกันนะถ้าสติเกิดอัตโนมัตินะรู้กายรู้ใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นสติที่มีพลังมาก จิตดวงนั้นที่มีสติชนิดนี้นะเป็นจิตที่มีกุศลที่มีกําลังแก่กล้ามีแรงมากจะข้ามภพข้ามชาติได้นั่ใช่จิตที่เป็นกุศลที่มีพลังมากๆากจิตเหยาะเยะแยะแยะไม่ได้กินหรอกถ้าเราหัดรู้สภาวะนะบางคนงงมาเรียนที่หลวงพ่อฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วงง ง, งมาใหม่ๆหงงทุกรายเลยถ้าไม่เคยฟังทําไมงงเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ค่อยมีใครเขาพูดให้ฟัง แต่หลังๆเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีเอเจนต์เอเจนถูกบ้งเอเจนผิดบ้างมัวๆพาเตลิดเปิดเปิงไปก็เยอะนะเช่นพาไปดูความว่างเหลวไหลไปดูความว่างไม่ใช่สติปัฏฐานต้องรู้กายรู้ใจถึงี้เป็นสติปัฏฐานนั้นเราหัดรู้สภาวะไปได้ถ้าใครเขาถามว่ามาเรียนกับหลวงพ่อประมวอหลวงพ่อปรมโอสอนอะไรนะ บอกลวงข้อประโมทสอนให้รู้จักสภาวะเขาก็รู้วิธีที่จะดูสภาวะนะให้รู้จักสภาวะเส้นสภาวะที่ง่ายๆเลยนะคือสภาวะที่เป็นนมามธรรมดูง่ายสภาวะที่เป็นรูปธรรมดูยากนะหลายคนนึกเอาเองว่ารูปดูง่ายเนี่ยยกตัวอย่างเห็นอะไรเห็นมือมือไม่ใช่รูปนะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นรูปนะ แต่ไม่ใช่รูปแท้จะเห็นรูปแท้ไม่ใช่ง่ายเลยจนะยเห็นธาตุดินน้ำฝ่ายลมอะไรอยงี้ไม่ใช่ง่ายเลยเห็นที่ใดก็เห็นแต่อย่างเห็นมือนี่หรือ เ, เห็นบัญญัติเลยนะเดินจงกรมอยู่นะัรู้สึกถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รู้สึกตัวเนี้รูปตัวนี้รูปยืนเดินนั่งนอนเนะี่ยยังไม่ใช่รูปแท้บินยักที่รูปนะไม่ใช่รูปแท้รูปแท้แทโอ้ยากสุดๆเลย อย่างที่พวกเราหลายคนภาวนาหัดเจริญสติไปเรื่อยๆแลอยู่ๆฉับพลันรู้สึกขึ้นมาถึงความไม่มีตัวตวนอ่ะเช่นบางคนไปแปลงฝันนะแล้วรู้สึกตัวนี้มันไม่ใช่เราเนี่ยมันเห็นแต่ก้อนาธาตุที่ทํางานอยู่เห็นเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุขึ้นมายากมากนะดูรูปแต่ดูนมามมันง่ายใครไม่รู้จักความโกรธมั้งมีไหมในห้องนี้ใครไม่รู้จักว่าโกรธเป็นไง ถ้าพูดภาษาไทยได้ก็รู้จักใครไม่เคยโกรธมีัหมก็ต้องไม่มีนะถ้าหลวงพ่อถามกลับข้างนะใครเคยโกรธมีไหมก็ไม่ยกมืออีกเลยถามอะไรก็เฉยๆไว้ก่อนไม่รู้ใครสั่งใครสอนแบบไม่ r e สปอนด์น่ามาทำดูง่ายนะพวกเรารู้จักทุกคนอะความโกรธเป็นไงเราก็รู้ ความโลภเป็นยังไงเราก็รู้ใจลอยเป็นยังไงก็รู้นะฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่เป็นยังไงก็รู้กลัวเป็นยังไงก็รู้ใช่ไหมกังวลก็รู้จักอิจฉาก็รู้จักดีใจเสียใจมีความสุขในใจมีความทุกข์ทางใจนะมีความเครียดนะสภาวะที่เป็นนมามธรรมทั้งหลายนะพวกเรารู้จักทั้งนั้นเลย ขุนใจรู้จักไหมขุนเซงรู้จักไหมเออบือ่อรู้จักไหมออลังเลรู้จักไหมเออมตนามธรรมนะรู้จักทุกคนเนนะ่ะแมตนาธรรมนั้นจริงจริงไม่ใช่ของยากอะ่ะโดยเฉพาะคนไทยนะหลวงพ่อเคยรวบรวมศัพท์ที่เกี่ยวกับนมามธรรมความรู้สึกเนี่ยได้สองร้อยกว่าคําคนไทยโบราณนี่เก่งจริงเลยเนี่ยอย่างที่ไล่ให้ฟังตะกี้เป็นตัวอย่างนะ งุดงหญิดนมงดหงิดมันไม่มีดีกรีของโทสายเศร้าโศกเขับแค้นเยอะแยะเลยนะไล่ตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุพูกเนะหอนุพูกมีอยู่ตัวหนึ่งหงงนะ <c oughs> มีตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุพูกเลยนะกลัวไกไก่เกลียดก ไ, ไก่ นะอคอไข่ขุนข้องขัดเครืองคนะอควายเช่นคับแขนออออออมีเยอะแยะเลยนะพวกเรารู้จักนะนั่นมันมีอารมณ์ที่ประณีตนะคนไทยเรามีศั์เยอะเลยซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกที่แตกต่างกันเล็กๆๆ ก, ก, ก, กลุ่มของราคาราะก็มีเยอะแยะเลยกลุ่มของโทสะกลุ่มของโมหะนะเรามีศัพ์ แยกๆเลยซึ่งสับแต่ละตัวนี่มันมีความเหลื่อมในความรู้สึกกันมันแสดงให้เห็นเลยว่าคนไทยแต่โบราณโบราณนี่ชำนีิชํานาญในเรื่องการดูจิตมากเลยก็นะดูความรู้สึกที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนี่ออกมาได้นะหน้าที่ของเรานะไม่ยากอะไรความรู้สึกขนานี้ความรู้สึกอะไรกําลังมีอยู่ในใจเรานะรู้รู้ไปเนะช่นรู้สึกเข้าใจ เรารู้สึกอ๋อเี่นไหมตรงอ๋อขึ้นมามันก็มีนรู้สึกใช่ไหมมันเข้าใจขึ้นมานงงใช่ไหมกลับข้างกันตรงข้ามกันอะไรอะไรนะเอเอ๊เห็นไหมพอเข้าใจอ๋อเห็นเออเพราะฉนั้นนามาทําเนี่ยไม่ยากนะคนไทยเรารู้จักมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแล้ว เรารู้ลงไปเลยความรู้สึกขณะนี้เป็นยังไงเรารู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงต้องรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะอย่าไีพิ้งใส่ตัวความรู้สึกอันนี้ต้องรู้ให้เป็นที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนให้รู้จักสภาวะแล้วก็ให้รู้สภาวะให้เป็นเวลารู้สภาวะให้เป็นนะต้องทำสามสเต็ปอันหนึ่งก่อนจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้อย่าจงใจรู้มีอะไรเกิดขึ้นมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอานะ นั่นอย่าไปดักไว้ก่อนอย่าไปจ้องไว้ก่อนนี่วิธีรู้ให้เป็นวิธีรู้ให้เป็นตัวที่สองนะระหว่างรู้เนี่อรู้อยู่ห่างๆนะอย่า ก, กระโจนลงไปรู้อย่าถล่มลงไปรู้ดูอยู่อย่างคนวงนอก น, ะนี่ก็ต้องเรียนนะว่าทํายังไงจะดูแบบคนวงนอกได้รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแสงนะรู้ด้วยความเป็นกลางรู้อย่างสักว่ารู้ถ้าจิตเกิดไม่เป็นกลางจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ทันว่ายินดียินร้ายใช่ไหม นี่รู้ให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะหลวงพ่อสอนให้รู้จักสภาวะให้เราหัดดูสภาวะนะแล้วก็สอนให้เราดูสภาวะให้เป็นให้สภาวะปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้อย่าไปดักรู้ไว้ก่อนนะโดยเฉพาะสภาวะที่เป็นนมามธรรมเนี่ยต้องดูตามหลังระหว่างรู้นะอย่า ก, กระโดดลงไปอย่ า, ยาถลําลงไปรู้พวกเราเวลารู้อะไรเนี่ยบางทีชอบถล่มลงไปรู้อยากรู้ให้ชัดนึกออกไหมเพราะอยากรู้ให้ชัดนะั้นมันจะคอนเซนเทรต นเซนเทรเนี่ยจิตจะพุ่งลงไปบีมลงไปบีบลงไปไปเกาะอยู่ที่อารมณ์อยากรู้ให้ชัดยกตัวอย่างหลวงพ่ออยากรู้ว่ามันเขียนหนังสือว่าไงอา้าดูสิเหพออยากรู้ให้ชัดรู้สึกไหมจิตเราวิ่งมาตรงนี้เลยดูออกไหมว่าเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยดูไม่ออกไม่เป็นไรแค่อยากดูนะจิตก็จะวิ่งมาละงั้นการที่ เราอยากดูนะั่นแหละความอยากมันเกิดนะจิตจะพุ่งเข้าไปจิต ม, มันไม่ตั้งมั่นในการดูมันไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นนะจิมจะกระโดดเข้าไปใส่นะเรียกว่าถล่มลงไปรู้ถ้าเทียบนะคล้ายๆ ค, ค, คนดูฟุตบอลต้องดูอยู่บนอัธจันท ร, ร์นะอย่าโดดลงไปกลางสนามหรือคนดูละครดูอยู่นอกเวทีนะอย่าโดดขึ้นไปบนเวทีดูอยู่ห่างๆทําตัวเป็นแค่คนดูละครนี่เรียกว่าดูเป็น ดูเป็นหมายถึงก่อนดูนะไม่ได้อยากดูนะไม่ได้จงใจดูบางคนทําผิดจะดูจิตนะพอเริ่มต้นเอาละต่อไปนี้ดูจิตไหนอยู่ไหนวะมีอะไรให้ดูนึกออกไหมส่งจิตเข้าไปส่ายสำรวจจะมีอะไรให้ดูดีนะพวกนี้อยากดูแล้วพอไปเจออะไรเข้าสักอย่างหนึ่งแปลกๆเลยจ้องไว้นี่เลยกลายเป็นการเพ่งดูจิตก็กลายเป็นการพ เ, าาเารพ่งจิตได้นะถ้ามันโลภนั้นก่อนดูนะอย่าอยากดู ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วสติระลึก ข, ขึ้นเองต้องฝึกจกนสติระลึก ข, ขึ้นเองไม่ได้อยากดูระหว่างดูอย่าถลําลงไปดูถ้าถลําลงไปเนี่ยเพราะมันอยากดูมันก็จะถลําลงไปดูอีกเที่ยวไปหาก่อนหาหาว่าจะดูอะไรดีพอเจออันนี้น่าดู น, ะนะกระโดดลงไปดูเลยอันนี้ใช้ไม่ได้พอดูแล้วนะจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาจิตจะไม่เป็นกลางถ้ายินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันมันก็อีก ความยินดีรินร er ้ายดับไปเราจะดูอย่างที่มันดูได้นั่นแหละไม่ได้ว่าอยากดูหรือไม่อยากดูนะไม่ใช่ว่าชอบไม่ชอบเช่นเห็นกิเลสนันก็ไม่ได้อยากให้หายเห็นความทุกข์ก็ไม่ได้อยากให้ดับดูอย่างศักดว่าดูจริงๆเห็นกุศลก็ไม่ได้ชอบมันไม่ได้อยากให้อยู่นานๆความสุขก็ไม่ได้อยากให้อยู่นานๆดูทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นไม่ได้หลงยินดีไม่ได้หลงยินร้าย เพราะนสรุปก็คือเอย่าเที่ยวสแสวงหาว่าจะดูอะไรดีให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานี่คือวิธีรู้ที่ถูกต้องระหว่างรู้นะีอย่าถลำลงไปรู้ดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าดูแล้วจิตเกิดความยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตเกิดความยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนี่เรียกว่าดูเป็นถ้าสติอัตโนมัตินะดูสภาวะเห็นสภาวะทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาสติระลึกได้ในเรื่องเรารู้ทันสภาวะ ระหว่างที่รู้ทันนี่รู้เป็นจิตที่รู้เป็นนั่นแหะคือจิตที่มันตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเห็นไหมจิตที่รู้ไม่เป็นล้วนแต่กระโดดเข้าไปทั้งสิน้นะเช่นอยากดูแล้วเที่ยวไปหาเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธนะิหรือระหว่างดูแล้วอยากรู้ให้ชัดกระโดดลงไปจ้องนี่ไม่ใช่สัมมาสมาธิเข้าไปเพ่งนละ้วนะหรือหลงยินดีหลงยินร้ายจิตแกว่งองนะไรเลยจิตก็ไม่มีสัมมาสมาธิ ดัง้ถ้าจะมีสตินะถ้าดูสภาวะเห็นสภาวะให้นมาเรื่อยๆจิตจำสภาวะได้ก็เกิดสติเองแล้วถ้าดูเป็นถ้าดูเป็นจิตจะมีสัมมาสมาธิล้วเราสังเกตจิตของเราไปนะทำชานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้มีสติรู้ทันล้วตอนนี้กำลังหลงไปหาแล้วว่าจะดูอะไรดีตอนนี้ถล่มลงไปเพ่งแล้วตอนนี้เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้ายแล้วถ้ารู้ทันอย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ นี่เป็นวิธีที่สำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้นะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาคือรู้ว่ามันไหลไปแล้วมันจะตั้งมั่นเริ่มต้นนั้งไหลอยากอยากเห็นกัอนอยากปฏิบัติจิตเกาไหลไปค้นคว้าสแสวงหาว่าจะดูอะไรดีจิตไม่ตั้งมั่นพอไปเจออะไรก็จิตก็ถลําลงไปจ้องจิตไม่ตั้งมั่นถ้าเรามีสติรู้ทันว่ากำลังหาอยู่จิตก็จะตั้งมั่น รู้ว่ากําลังถลําไปแช่ไปจ้องอยู่รู้ทันนะจิตก็จะตั้งมัน่นะรู้ว่ากําลังหลงไปแทรกแซงอยู่จิตก็จะตั้งมัน่นนะงั้นถ้าเรามีที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนสองอันนันหนึ่งให้รู้สภาวะอันที่สองรู้สภาวะให้เป็นนะการจะรู้สภาวะก็คือมีสตินะรู้สภาวะเป็นจิตต้องมีสัมมาสมาธิมีความตั้งมัน่นที่รู้ผิดนะั่คือจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไหลไปบางคนดูท้องพองยบนะุบในจิตไหลไปอยู่ที่ท้อง เดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้านะรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมจิตไม่ตั้งมั่นนะอันนี้เป็นวิธีสำหรับคนทำชาญไม่ได้นะพวกเรายุคนี้หาคนที่ทำชาญได้จริงมีน้อยมีแต่ฌานที่เขียนด้วยชอช้างสละอานหนหนนะูแต่ว่าพื้นนะลงไปแล้วลงไปเลื่อยไปคลานนั่งแล้วขาดสติอะไรอย่างเงี้ยฌนะานชอรกชอรโช สะอาอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทำฌานได้มีอยู่คนสองคนหนึ่งนอกนั้นโม้ไปอย่างนั้นแหละผมทำฌานถูกไม่ได้เรื่อง <c oughs> ทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรนะให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตมันจะตั้งขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีสองตัวล้วจะได้สติหัดรู้สภาวะไปด้ยแล้วสติจะเกิดนะ เร้รู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นเน่รู้ให้เป็นถ้ารู้ไม่เป็นจิตไม่ตั้งมั่นรู้เป็นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ยิ่งรู้เป็นมากกว่าเก่าอีกเนี่พอคราวนี้รู้แล้วจะเกิดปัญญาจิตตั้งมั่นอยู่จะเห็นเลยร่างกายที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ใช่เรารูปที่ปรากฏอยู่ไม่ใช่เรานามาทำทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ก็ไม่ใช่เราไม่ยากอะไรหรอกง่ายๆหลวงพ่อไม่เห็นมันจะยากเลย หลวงพ่อลองผิดลองถูกอยู่ยี่สิบกว่าปีเท่านั้นเองนะไม่ยากหรอกนะที่ลองผิดลองถูกนานเพราะไม่มีครูไม่มีครูสอนนะตอนเด็กๆพ่อพาไปหาท่านพ่อรีที่วัดอโศกรามไปเรียนได้แต่สมถะไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะท่านพ่อรีเป็นพระแท้องค์หนึ่งนะเป็นพระแท้ๆองค์หนึ่งหลวงพ่อไปเสียเวลานา น, านเพราะว่า พอไปเรียนกต่ท่านพ่อรีเราเด็กเด็กมากเลยตอนนั้นท่านสอนให้หายใจหายใจแล้วก็พุทธโธล้วก็นับด้วยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทออกโธนับหนึ่งพุทออกโธนับสองนับไปท่านให้นับไปถึง9แล้วก็ย้อนกลับมานับมา8ปดเจ็ดอะไรเงี้ยแต่เราหัดอย่างนี้เราไม่ชํานาญเราเด็กนับเลขย้อนขึ้นย้อนลงไม่เป็นนะหลวงพ่อเล่นนับถึงร้อยเลย นับไปเรื่อยๆนับจนตอนหลังนะหายใจแล้วจิตมันนับของมันเองนะนับไปในสมถะอยู่มาปี2ปีท่านก็สิ้นไปแล้วยังไม่ได้เรียนวิปัสสนาเลยเพอไม่มีใครสอนให้เจริญวิปัสสนาทำไม่เป็นหรอกก็ทำแต่สมถะเรื่อยๆมาผ่านมา22ปีจากปี2502นหลายคนยังไม่เกิดจนอายุ29 ปีสอหถึงได้เจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองสอนดูจิตเราหัดดูสภาวะทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายที่มันผุดผุดขึ้นมานี่แหละหัดรู้ไปเรื่อยแล้วก็รู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาเพราะฉั้นเวลาดูจิตดูสองอันนะดูความรู้สึกอันหนึ่งแล้วก็ดูกิริยาอาการที่จิตมันวิ่งไปวิ่งมาอันหนึ่งถ้าเราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นมานะแนี้เรามีสติรู้ไปเรื่อยอย่างนี้ดี แล้วถ้าเรารู้จิตที่ไหลไปไหลามาจิมจะตั้งมั่นอันนี้จิตจะตั้งมั่นแล้วรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นปัญญาจะเกิดนะไม่ยากหรอกง่ายๆนะหลวงพ่อดูอยู่ไม่นานดูอยู่เจ็ดเดือนนะดูไปเรื่อยๆก็เห็นสภาวะธรรมมันเกิดเกิดดับดับไปเรื่อยๆนะเข้าใจมันขึ้นมาฉะ้นเราอย่าไปคิดว่าการภาวนา ย, ยากนะ รู้ความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วถ้าจิตเราไหลไปทางโน้นทางนี้ก็ค่อยรู้แต่จิตไหลไปแล้วให้แค่รู้ว่าจิตไหลไปอย่าไปประคองไม่ให้ไหลอย่าไปห้ามไหลนะถ้าห้ามไหลจะกลายเป็นการเพ่งจิตเพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้เป็นสมถะอีกเพ่งอารมณ์เช่นเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจก็เป็นสมถะเพ่งจิตก็เป็นสมถะเพ่งอะไรก็เป็นสมถะนั่นแหะแต่ถ้ารู้นะรู้อยู่ห่างๆนะจิตตั้งมั่นอยู่แล้วเห็นทุกอย่างมันทํางานอยู่ ถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ตรงที่จิตตั้งมั่นอย่าให้ตั้งนานไม่ใช่ตั้งหลายๆวันแล้วก็นิ่งอยู่งั้นเองเราจะเห็นทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์แต่จิตเที่ยงเยู่อนเดียวก็ใช้ไม่ได้กลายเป็นว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อสอนดีท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยใครเห็นจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิ จิตเก ด, ดับตลอดเวลาจิตไม่เที่ยงหรอกเพรนั้ีอย่ไปประคองให้เที่ยงเรามีหน้าที่ตามดูไปจิตมันมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็รู้จิตมันทานํางานยังไงก็รู้อย่าไปเพ่งให้อารมณ์นิ่งอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งเพ่งอารมณ์ให้นิ่งก็ใช้ไม่ได้เพ่งจิตให้นิ่งก็ใช้ไม่ได้นะเป็นสมถะทั้งคู่เลยเพราเรารู้ความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดนะตามรู้เล่นๆไป ความรู้สึกทั้งหลายนะัเราก็รู้จักอยู่ทุกอย่างอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกอะไรตอนนี้รู้สึกอะไรก็แค่นั้นเองอย่าไปจ้องไว้นะจ้องก็ใช้ไม่ได้ให้ความรู้สึกมันโดดเด่นขึ้มนมาแล้วสติระลึกได้เองต้องอย่างนั้นอย่าจงใจจ้องใช้ไม่ได้หรนะอกเท่านี้ก่อนเชิญไปทานข้าว